m mm -hmm. ทุกคนเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่กายกับใจเนเกิดมาก็มาพร้อมกับกายแล้วก็ใจที่เหลือนันก็มาทีหลัง้ากายกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกรักษาอย่างเดียวไม่พอก็ต้องฝึกด้วย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 วิ่งไปไกลขนาก็เรียกมันใหม่ๆก็ใช้เวลานานกว่ากว่าจะเรียกมันกลับมาเพราะว่ายังไม่คุ้นไม่เคยแต่ว่าพอเราเรียกบ่อยๆนะเราไม่เราไม่ไม่เบื่อที่จะเรียกนะเขาก็จะรู้นะว่าที่ทางเขาเนี่ยคือบ้านเ้าก็จะค่อยกลับมากลับมากลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆเาก็จะเาก็จะรู้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 ใอ้ความเราลึกได้อย่างนี้แหละนะที่ถ้าเราทำบ่อยๆทํทำให้สตินีกำลังนะแล้วก็สติก็จะช่วยทำให้นะใจเนี่ยมันอยู่เป็นที่เป็นทางถึงเวลาคิดก็คิดอย่างมีสติไม่คิดวกวนนะมีมีทิศทางนะในการคิดเหมือนกับเรือที่มีหางเสือถ้าเรือไม่มีหางเสือบทีเรือก็วนไปวนมานะ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 ถ้าเป็นความโกรธเป็นความโมโหเป็นความเศร้าก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปมันต้องไม่ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับมันด้วยซ้ําเหมือนกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยมีเสียงดังเออเราก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับมันหลวงพ่อาชาท่านบอกเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงมารบกวนเราเนี่ยที่จริงเราต่างหากไปรบกวนเสียงคือเราไปทะเลาะ ก, กับมัน ไม่เคยได้ไม่เคยไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยๆนะแต่ว่าไปทะเลาะ ก, กับมันไปต่อทลาต่อเียงกับมันนะเสียงดังเราก็แค่รู้เฉยๆสักตวารู้นะมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโกรธจิตเนี่ยแค่อยู่นิ่งๆนะแค่รับรู้เฉยๆเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นแต่มันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบไปรวมรำพันตูนะ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 อ่าชานี้พวดกันตอนนี้อ่กราบพระ